ประชามวลประชาอยู่มาพ้นภัย เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโรธจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาทมานเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอย่างไม่นานแล้วแผ่นดิ่มที่นดงามจะคืนกลับมา 荒养 หานมิยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญา จะเราจะทำตามสัญญาผ่านความบาด I'll คุณความสุขให้ท่าน ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เวลา 8 นาลิกา shop eyes รอซูรอซูรอซู you may shop eyes รอซูรอซู nang jeb kha baep ni รอซู ya nam ka ai tra รอซู mae wa khu ja pen krai cry cry come shop i เดี๋ยวนี้ไม่ค่อย โรงจำใสถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมนวัตกรรมใหม่ 13 หลากคุณคุณ ตรวจโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านสิทธิ์รักษา 1330 กด 2 ตามด้วย 1330 ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอะๆแล้วไงอ่ะโลกนี้ยังคุ้มครอง 200 200 ต่อเดือนเหรอ ประกันภัย 200 ราคาถูกถูกซื้อที่ 200 กับคนที่คุณรักคนที่คุณรักโดยสำนักงาน 1186 สร้างมิตรผูกสัมพันธ์ FM 90.25 MHz สวัสดีครับ โอกาสอันดีที่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมจะได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครพนมขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บอกถึงพระอารมณ์ขันของพระองค์ 3 23 กรกฎาคม 9 ศก 15 นาฬิกาณ สอบถามเพิ่มเติมโทร 042516187 ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณ 200 200 ต่อเดือน แต่อ้าว 200 ราคาถูกซื้อ 200 กับคนที่คุณรักโดยสำนักงาน เงินทุกบาทที่คุณชําระคืน กยศ. คือ 5 กรกฎาคม คลุมปากองค์เด็ดตะไคร้ 2 เทียนน้ำได้แจกกันถังเก็บน้ำทุก 7 มื้อเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงร้ายปอที่ 3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลาคือคัดล้างไข่ยุง ร่วมด้วยช่วยป้องกันใครเลือดออกใครเลือด ทำบุญสักบาทและปฏิบัติธรรมณศาสน 1,100 ล้านบาทต่อปี อาคารสำนักงานอาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรมศูนย์การค้าสูงโรงงานอุตสาหกรรมปี 2557 ปีแห่งการรณรงค์ด้านสังคมและวัฒนธรรมวัฒนธรรมประชาคม ประชาคมสังคมสังคมและเดียววิสัยทัศน์อัตลักษณ์ปี 2558 พร้อม 9 สู่ประชาคมอาเซียน ชาติแลองค์ราชามวลประชาอยู่มา เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมาเราจะทำตามสัญญา ประชาชนวันนี้ต้องเนตรเหนื่อย ขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามพันความบาทมันเราจะทำตามสัญญา กลับมา หัวหน้าภาคธุรกิจเอกชนราชการทุกกระทรวงทบวงตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมานั้นผ่านมาๆ ตรงความงาน 2 2 20 จังหวัดภาคตะวันออก 1 2 ตำรวจและๆสถานีรวม 100 สถานี คืนใช้เวลา 25 นาทีช่วง 8 นาฬิกาแต่นาที น. ถึงเวลา 8:30 น. น. นหากๆ ขอบคุณตำรวจทหารภาคธุรกิจเอกชนธุรกิจเอกชนพี่น้องประชาชนทุกหมู่ วันที่ชาร์ลองค์ราชามวลประชาอยู่มา 20 จังหวัดภาค 2 ร่วม 20 จังหวัด เป็นบริบทของค่ะเป็นเจ้าภาพ FM 94 เมกะเฮิรตซ์นะคะเป็นแม่ทายในค่ะ ดร. สมศักดิ์จังตระกูลให้เกียรติร่วมราย มีการก้าวหน้าเดินอย่างไม่หยุดยั้งค่ะแล้วก็ 100% ทุกภาค เอ่อ 2,444 หมู่บ้าน 192 ตําบลและใน 20 อําเภอของจังหวัด 100% 60,000 คนนะครับ ระดับจังหวัด 3 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ 10 ประเด็นครับที่พี่น้องประชา ได้พูดถึงการปฏิรูปในด้านต่างๆพูดๆสั้นๆ10 ประเด็นคือ 1 การปฏิรูปด้านการเมือง 2 การจัดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารอันได้แก่นักการเมืองมาตรฐานทาง 3 การ 4 5 การคอร์รัปชัน 6 การปฏิรูปด้านการศึกษา 7 การ 8 การ 9 การปฏิรูปความ 10 ครับปฏิรูป 10ๆ เอ่อวิทยากรซึ่ง 101 2 จุดๆท้ายที่ปรอยากจะได้เห็นในเรื่องการของสามารถสรุปเป็นแผนที่เราจะไปสู่ว่าชาวจะอยู่กันอย่างสงบโดยเราสร้างในการที่จะไปสู่จุดนั้น แล้วมีเป้าประสงค์เอ่อฟังแล้วเป็นวิชาการ 4 ประการ 1 สังคม 2 สังคม 3 สังคม 4 ครับ เอ่อเอ่อพวกๆว่าเอ่อเราจะมีแนวทางกลยุทธ์เป็นเอ <okay>. แล้วก็ 3 ขจัดเงื่อนไขที่ไม่ 101 ถือว่าพอใจมากครับสนใจดีเดียวกับท่านคะพอใจ <Okay. S 2> แล้วก็เป็นบุคคลที่ผมต้องกราบ <Okay. S 2> ว่าเอ่อความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยจะทําให้ กันซึ่งต่างจากสังคมไทยในอดีตครับเกินทุกคนยังมีเวลาที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยซึ่งต่างจากสังคมไทย<ใช> ค่าของๆค่ะจน สิ่ง 3 ประการครับสถาบัน 2 คือสถาบันศาสนาและประการสุดท้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ กลับคืนมาค่ะสู่ครับๆนี้ชาวต้น 365 ต้นครับจริงๆ แต่ก็มีความ แล้วการที่พระสงฆ์เองซึ่งเป็น 1 ถึงจะไม่หมดไปเอ่อถึงจะไม่ที่เรียน ที่เพื่อให้บ้านเมืองนี้นะครับต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อ นะครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนทุกท่านด้วยนะค่ะการบวชต้นค่ะค่ะ <Okay. S 1> ในการที่จะร่วมกิจกรรมในวันนี้ พอพิธีเปิดเสร็จ เรียกว่าสัปดาห์คืนความสุขมีธงฟ้าเหรอคะ เรียกก็ได้ว่าเอ่อเป็นกิจกรรมที่ๆเยอะครับไม่ว่าผมจะขอ จับ 15 นี่สวยจังหวัดครับๆค่ะ มากยิ่งกว่าที่ 13 ค่ะ 7 13, <ไป> 13 ใช่ 7 13 กันยายนนี้ค่ะลองไป กะมีความพอใจที่ๆพอใจนี่เพิ่นเข้า ครับหลังจากที่ที่ คสช. เข้ามาบริหารใน เงินค่ารับจำนองค่านี่อย่างทั่วๆตาม นะคะนํามาซึ่งความรุนแรงนําๆ นะคะเพื่อๆค่ะ เป็นความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นความสุขของพี่น้องประชาชน ของๆไปนําเสนอใน TB Number 1, 1ษษ101 ทั้งหนหน 3 หน่วยงานเนี่ย <Hey. S 1> ทำความค่ะเรียกว่าพาดเอกชนให้การสนับสนุนนะ ดร. สมศักดิ์จันทรกุล ได้ด้วยตัวท่านเองนะคะในรายการอีสานม้วน จังหวัดร้อยเอ็ดฝ่ายทหารนะคะได้ให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยผ่าน<ใช> เวーンไวเวฟเรดิโอ Google นะคะอ่าพิมพ์อีสานม้วนซื่นนะคะท่านจะ